พระธรรมเทศนาลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าศาสนาอยู่ได้ด้วยความพร้อมแห่งพุทธบริษัทอันนี้คือผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติภายในคล้ายๆว่าเป็นแนวหน้าหรือว่าผู้นำหน้า ถ้าเป็นช้างกับช้างขาหน้าพวกขนาดศรัทธาญาติโยมช้างเท้าหลังเป็นพระเนี่ยคือเขามาส่วนภายในว่าถ้าเป็นช้างกับช้างเท้าหน้าช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังมันต้องอาศัยกันแต่มีแต่ช้างเท้าหน้าไปอย่างเดียวถ้าช้างเท้าหลังไม่สนับสนุนไม่ก้าวตามช้างเข้าหน้ามันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็เหมือนช้างเท้าหลังถ้าไม่มีช้างเท้าหน้าถ้าไม่มีช้างเท้าหน้านำช้างเท้าหลังก็ไม่รู้จะเดินไปยังไงอีกเหมือนกันเพราะว่าช้างเท้าหน้านี่เป็นผู้เข้ามาใกล้แล้วก็เข้ามาเพื่อการศึกษาค้นคว้าศึกษาเป็นยังไงอ จากนั้นก็แนะนำช้างเท้าหลังให้เข้าใจว่าน่นะขาหน้าเนี่ยมันมีสะดุดมีต อ, อยังไงนี่มีโขดหินยังไงมีน้นามยังไง ร, ราบลื่นอย่างไรแล้วไปที่ไหนเพื่อทีจะมีความสุขความเจริญช้างเท้าหน้าก็จะต้องเห็นก่อนช้างเท้าหลังก็เดินตามนี่แหละคือ ฝ่ายพระสงฆ์ก็คือช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาก็คือช้าวทักช้าวช้างเท้าหลังขาหลังแต่มันก็ต้องไปด้วยกันถ้ามีแต่ช้างเท้าหน้าเดินไปอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้การสนับสนุนช้างเท้าหน้าก็เดินไปไม่ได้แต่มีแต่ช้างเท้าหลังอยากจะไป แต่ช้างเช้าหน้าไม่พาไปในทางที่ถูกทางถูกต้องช้างเท้าหลังมันก็ไม่รู้จะเดินทางไหนอีกเหมือนกันเพราะนั้นพุทธบริษัทสี่ก็ลักษณะอย่างนั้นอ่ะอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมเนนในสมัยก่อนว่าภิกษุณีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในหลักของพระพุทธศาสนาต้องอาศัยซึ่งกันและกันเกี่ยวเนื่องกัน เพึ่งพาอาศัยกันแต่ถ้าว่าขาดอันใดอันหนึ่งแปลว่าพุทธบริษัทไม่สมบูรณ์ช้างตัว น, นั้นไม่สมบูรณ์สร้างขาเป๋ขาหน้าเป๋ขาหลังเป๋เดินไม่ถูกไม่ถึงจุดหมายปลายทางทั้งนั้นแหละเพรในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาอย่างคณะสัตย า, าติโยมผู้อยู่คลองเรือนพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีทานให้มีศีล และใครมีภาวนาแต่สำหรับพระสงฆ์ที่เป็นช้างช้างเท้าเท้าหน้าท่านควเน้นหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญาแตกต่างกันอยู่นะเพราะเหตุไรแต่ในอย่างคณะชาติญาติโยมการเป็นอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพักเป็นพวกต้องอาศัยการอยู่รวมกลุ่มมนุษย์จะอยู่ตามลาพังไม่ได้ต้องอยู่อยู่รวมกลุ่ม ในเมื่อการอยู่รวมกลุ่มกันก็ต้องมีการเสียสละต้องมีการเสียสละถึงต้องมีทานต้องมีทานคำว่าทานคำนี้นะ่ะไม่ใช่จะควักเงินจากกระเป๋ามาทำทานไม่ใช่มีหลายมีหลายอย่างเอออย่างอย่างหลวงพ่อกำลังพูดอยู่นี่เรียกว่าวิทยาทานเรียกว่าธรรมทานให้ทำเป็นทานคือแนวความคิดที่ถูกต้องเอาหลักเหตุผลมาพูดให้กันฟัง มาแนะนำให้พวกเราทั้งทั้ ง, งหลายได้ยินได้ฟังอันนี้ว่าวิทยาทานก็ใช่ว่าธรรมทานก็ใช่ธรรมทานคือหลักเหตุผลวิทยาทานก็คือวิชาอาชีพที่พวกเราจะต้องหาวิชาเพื่อมาเลี้ยงชีพของเราเรื mm ่ hmm. ออภัยทานถ้าพวกเรามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ให้อภัยกันถ้าคนเรามีแต่โกรธโมโหโกธรม นัางหิบนา่งงออยู่ทั้งวันใครทำอะไรก็ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวีนกันอยู่พวกเราจะหาความสุขได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมีอภัยทานคื อ, อการให้อภัยซึ่งกันและกันอารมิษทานก็คือให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเขาที่ยากจนกว่าเขาที่ทุกกว่าเขามีความเดือดร้อนอย่างภาคใต้ของเราเดือดร้อนอยู่เนี่ยเราก็ส่ง เ, ออเงินอะไรเข้าไปช่วยเขาทีเขาทีเราเ อ, อ, อันนั้นคือทีเขาต่อไปอาจจะเป็นทีเราก็ได้ก็ต้องมนุษย์ต้องอาศัยกันต้องมีน้ำใจต่อกันอันนี้ว่าอามิสทานเพราะนั้นเรื่องทานทานครับนี่มีมากมายเพราะเหตุใดเพราะมนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะก็จะต้องสงเคราะห์สึ่งกันละกัน สงฆ์ข้อพ่อแม่สงฆ์ข้อสามีภรรยาลูกหลานสงฆ์ข้อมิตรสหายสงฆ์ข้อชุมชนสังคมสังคมอันนีค้คือการให้ทานทั้งนั้นมนุษย์ถ้าหาว่าขาดการให้ทานก็เหมือนกับขาดสัมพันธมตรีขาดน้ำเชื่อมขาดน้ำใจขาดเมตตามันขาดไปหมดถ้าหาว่าขาดการให้ทานแล้วเพราะนั้นเรื่องทานเป็นเรื่องใหญ่ ที่มนุษยชาติจะอยู่รวมดวมกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีน้ำใจต้องมีการเสียสละต่อกันอย่างพ่อแม่เลี้ยงลูกดูสชพวกเราเลี้ยงลูกเราเสียสละทุกอย่างเราไม่ได้คิดว่าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ละคนค่าบริหารในคันเท่าไหร่หยุกยาเท่าไหร่อาหารการบริโภคเท่าไหร่ออกมาแล้วแล้ว พวกผ้าพวกฆ่าผีเลี้ยงนางนมเท่าไหร่ไม่มีพ่อแม่คนไหนคิดเป็นตัวเลขออกมาเป็นตัวเงินออกมาเพราะไรเพราะความรักลูกนั้นมากกว่าทรัพสมบัติที่หามาหามากเพื่อหามาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วหามาเพื่อเลี้ยงลูกตัวเองนี่แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือทุกคนที่พูดมาเป็นภาพรวมออกมาพวกเราคงจะคิดได้อย่างนั้น แต่แต่นนี้เมื่อเราใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ลหละเราก็ควรจะลำลึกถึงประวัติศาสตร์ของเราว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามามากน้อยแค่ไหนเราต้องมีน้ำใจต่อพ่อแม่ต้องมีความกตัญญูกตวเวทีตาต่อพ่อแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่กล่าวเตือนนิดหน่อย ก็โกรธอิลุมตุมปองอิลุมตุมปองทั้งวีทั้งวันมันไม่ใช่ลูกที่ดีอันนั้นเป็นลูกที่อคตันอยู่แตะไม่ได้พูดไม่ได้พ่อแม่แนะนําสั่งสอนไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ลูกที่ดีถ้าลูกที่ดีแล้วพ่อแม่แนะนําสั่งสอนบอกอะไรฟังหลับตาฟังตั้งใจฟังทันมีเจตนาอะไรถ้าว่ามีเหตุมีผล เ, เราก็ทําตาม ถ้าไม่มีเหตุมีผลเราก็อยู่ในใจเมื่อมีโอกาสท่านถ้าว่าท่านยอมรับฟังหลักเหตุผลจากเราเราก็ชี้แจงซะทาวว่าฟังดูแล้วชี้แจงยังไงข้านก็ไม่ฟังเราก็หยุดเก็บไว้ในใจของเรา เ, เราต้องเก็บได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดเก็บได้ทั้งนั้นในใจของเราถ้าว่าเราพูดไปชี้แจงไปกระเทือนกระเทือนพ่อแม่ทาให้ท่านไม่สบายใจ แต่ทั้งที่พ่อแม่เข้าใจผิดแต่เราก็พูดเข้าไปกระเทือนใจอย่าให้ท่านกระเทือนใจดีกว่าให้มันอยู่กับเราสักนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็คือพ่อแม่ลูกการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันกคือจัดจัดว่าเป็นทานทั้งนั้นส่วนศีลก็คือการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบถ้าหากว่าคนเราอยู่ด้วยกันไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มี กฎหมายบ้านเมืองคุ้มครองถ้าจะเปรียบเทียบไปฟังชัดเจนก็คือกฎหมายบ้านเมืองกับสินน่อันเดียวกันไม่มีอะไรแปลกแตกต่างกันอันเดียวกันเพียงแต่ว่าตั้งชื่อว่าสินท่นเองเออเหมือนกับคนหนึ่งว่าข้าวคนหนึ่งว่า อ, อะไรภาษาแต่ละภาษาแต่ตามไม่จริงคือถ้าเอามาใส่กันคือข้าวเม็ดเดียวกันแต่ภาษาที่เรียกต่างกัน ภาษาอังกฤษภาษาคำเมน้นภาษาพมา่าภาษากะเรี่ยงแต่เรียกข้าวก็คนคงจะคนและคนและชื่อกันแต่พอเอามาใส่กันจริงๆก็คือข้าวไม่เดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าศินและกฎหมายกฎระเบียบก็คืออันเดียวกันเพราะนั้นให้มีศิล น, นะก็คือให้มีวินัยนะให้มีกฎหมายคุ้มครองนะการอยู่ด้วยกันอย่ากออกนอกลูก่นอกทาง หรอให้ศีลก็คือศีลของหลักพุทธศาสนาก็อย่าฆ่ากันนะกฎหมายที่ออกมาภาพไม่ให้ฆ่ากันนี่ก็มีมากใครฆ่าคนอื่นเขาจะต้องถูกโทษถ้าฆ่าโดยไม่มีเหตุมีผลก็ถูกโทษประหารเมื่อฆ่าเขาชีวิตของเราก็ตกไปด้วยถูกฆ่าไปด้วยกฎหมายเขาใส่โทษขนาดนั้นนะอันนี้ศีลของพระพุทธเจ้าอย่าฆ่ากันนะอย่าขาโมยกันนะอย่าประพฤติลาบละล่วง ให้เคารพสิทธิกันนั้นในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขานะอย่ากโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขานะอย่าไปดื่มสุราพอดื่มโุราแล้วขาดชติขาดจติแล้วทำความชั่วเสียหายได้นะอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นกฎระเบียบสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายจากท่านกระท่านให้สอนเรื่องภาวนาทีทานศีลภาวนาภาวนาก็คือทำจิตใจให้สงบติดใจให้ให้อยู่กับเนื้อกับตัว ให้มีสติสัมปชัญญะให้ฝึกหัดเอาไว้นะถ้าหาว่าพวกรอปล่อยปะละเลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องทำสมาธิไม่รู้จิตคิดใจเรื่องคิดเรื่องอะไรแต่ละวีแตละวันผลที่สุดต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะเมื่ออายุมากขึ้นไปเมื่อเท่าแก่ชราใจของเราก็ยิ่งปุงฟุ้งออกไปข้างนอกหาหลักยึดทางจิตใจไม่ได้ จิตใจว่าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าจะตามเข้ามาเป็นลําดับเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญหน้าสำหรับศร้าญาติโยมอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนเทาน่าทานศีลทานก็คือการเสียสละอย่างที่ว่าสมาศิลศีลก็คือกฎระเบียบภาวนาก็คือทําจิตใจให้สงบให้จิตใจให้เป็นหนึ่งให้จิตใจให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเอง สำหรับพระทนเนี่ยพระท่านเน้นหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยศีลของสัมมานีศีลสิบศีลพระคือศีล2องอยเจ็ดอันนี้คือศีลศีลทําไมท่านจึงไม่ไม่มีทานด้วยเพราะว่าพระเนี่ยบวชเข้ามาแล้วไม่มีบริขารอื่นนอกจากบริขารแปดอยู่กับตัว เพราะนั้นท่านจรงไม่ไม่สอนให้ให้ทานคือให้ทานก็คือให้อภัยทานธรรมทานเออได้แต่อมิสตานในท่านท่านไม่ได้บอกกล่าวเพราะว่าพระเนี่ยเป็นผู้เสียสละมาแล้วผู้เข้ามาบวชส่วนภายในแล้วเป็นสร้างช้างเทา้ทาเท้าหน้าแล้วนก็มีตั้งแต่ตรวจตราความพร้อมที่จะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าก็คือศีลรักษากายวายาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล ประคับประครองกายวาจาใจของเราจะให้ออกนอกลู่นอกทางพระพุทธเจ้าท่านว่าดูก่อนพระสงฆ์ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นคือให้พระสงฆ์เป็นผู้เนกหนักแน่นในศีลถ้าว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของพระพุทธเจ้าก็อยู่นานไม่ท่อแต่ห0 0พันปี เป็นหมื่นหมืนปีเพราะเหตุไรเพราะสงฆ์พระสงฆ์อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอผมยาวซะใส่กางเกงซะพทธศาสนาหมดในวันนี้เพราะเหตุไรเพราะพระสงฆ์ไม่อยู่ในวินัยพระวินัยไม่มีในพระสงฆ์พระสงฆ์ไม่มีสินนี่แหละท่านบอกว่าศินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคต ก็ยังอยู่ตราบนั้นถ้าพร ะ, พระสงฆ์ยังอยู่ในยูนิฟอร์มอยู่เพราะพุทธศาสนาก็อยู่นานเท่านานอันนี้ก็คือศีลสมาธิ เ, เมื่อเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่ภายในแล้วสมาธิเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติการศึกษาในสมาธินี่มีมากมีมากหลากหลายเราจะเรียนในพระไตรปิฎกใช่ศีล ส, สมาธิปัญญา สมาธิศินคือรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยสมาธิคือตั้งใจมั่นปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารอันนี้คือท่านเขียนในตําราแต่ว่าตั้งใจมั่นใตั้งใหญ่ยังไงจึงจะมั่น เ, เราจะตั้งใจยังไงจึงจะมั่นจ ะ, จ ะ, จะยึดอะไรจึงจะมั่นจะเกาะยังไงจะทํายังไงจึงจะมั่นอันนี้เราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านัเพราะท่านเคยปฏิบัติมาแล้วท่านทํำยังไง เราต้องศึกษาจุดนี้จุดที่ว่าทำใจยังไงจึงจะเป็นสมาธิถึงทำใจมั่นนี่แหละอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาในอย่างในรายในรายละเอียดยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เลึกสอนเรื่องสมาธิให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาศีลสมาธิปัญญาปัญญาในหลักของพุทธศาสนาในปัญญาอะไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาอีกปัญญาทางโลกมันมีมากลากหลาย การเรียนปริญญาตรีโทเอกแต่ล ะ, ะแขนงล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาใช้ความคิดทางนั้นอันนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันอันนี้คือปัญญาทางโลกแต่ปัญญาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปวาจากรมมันโตอาชีโววายโมสติส ม, มาธิมรักแปดนี่อันนี้คือปัญญาอะไรอันนี้แหละอันนี้เราก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกันเพราะวิชาทุกแขนงต้องศึกษาแต่ วิชาที่วิชาที่เราจะข้ามภพข้ามชาติจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยเราจะทําแบบง่ายๆได้อย่างไรมันต้องศึกษายิ่งละเอียดที่จะตัดภพตัดชาติไม่มาเวียนไหวตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรท่านสอนอย่างไรพิธีการทําอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านสอนอย่างไรท่านแนะนําอย่างไรในเรื่องปัญญาจุดนี้นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคราวาสญาติโยมถ้าแยกอันเดียวก็ไม่ไปไปในแถวนแนวเดียวกันแต่สําหรับฆราวาสอ่ะสําเร็จสําเร็จมักสําเร็จผลได้ไหมหลวงพอ่อได้พระโสดาบันในครั้งพุทธกาลศรัทธาญาติโยมมากพระสงฆ์เขามากจัดทธายอดญาติโยมไปพระพุทธเจ้ า, ยาไปเทศแต่ละครั้งเป็นผู้มีศีลห้าเป็นสัมมาทิฏฐิ มีกรรมมทอยู่ในจิตใจยึดมัน่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวมีศีลห้าประจำนั่นแหละโดนโดนโดยมากจะเป็นเป็นพระโสดาบันมากที่เดียวแต่ถึงมักถึงผลได้ไหมอ น, นั้นรู้สึกว่าในพระไตรปิฎกท่านพูดห่างแต่ก็มีญาติโยมได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์มีอย่างพระเจ้าจุตโทธทนะ สันติมาหาอมอาตหรือใครที่ท่านพูดในพระไตรปิฎกท่านอาจจะไม่เขียนไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าเขียนไว้ทุกโค้ทุกคนก็คงมีแต่บันทึกผู้ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูว่าคารวะญาโยมถ้าปฏิบัติจริงจังก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันไม่ว่าแต่พระแต่พระที่ทําปฏิบัติตนไม่ดีตกนรกหมกใหม่ก็มากต่อมากอีกเหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะ พระเป็นมิจฉาทิฐิในหลักในอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็มากเหมือนกันที่ตกนรกหมูไหมที่ไปสู่สวรรค์ในพานก็มากอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราสรุปแล้วก็คืออย่างที่คุณแม่แก้วพูดโลกในโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกหาสวรรค์หาทุกข์หายากหาจนเออห า, าขี้ไลขีเล่เสีตัวเองได้หาได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาในทางที่ถูกต้องขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหาสิ่งที่ดีมีคุณค่าใส่ตัวเองใส่กายวายาใจของตนเองสิ่งไหนที่ขี้ร่ายขี้เละไม่ดีไม่งามนรกจกเปรตอย่าหาเข้ามาใส่ตัวเองนะหาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ใจของเราพาะเราพวกเราได้รับการศึกษาดีแล้ว ไม่มากก็น้อยสิ่งดีเลยชั่วล้วก็รู้แก่ใจแต่เอาชนะใจของตนเองให้ได้ถ้าเป็นสิ่งชั่วแล้วห้ามถ้าเป็นอย่างลบก็เย็บเบรกเย็บเบรก เ, เ, เ, เ, เลยห้ามล้อเลยทันทีสิ่งที่มันชั่วนะสิ่งที่มันดีแล้วถึงจะไม่อยากจะไปก็เย็บเยยบคันเร่งเเข้าไปไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นขอให้พวกเร า, า, าศรัทธาญาติโยมทุ ก, ท, กทุกท่านนะพระปวดใหม่ทุกอง ที่หลวงพ่อได้กล่าวทางนี้ก็เป็นแนวความคิดประจวันนี้นะวันนี้เป็นวันจั ก, กรีนะวันนี้เป็นวันสถาปนาชาติไทยกุุงรัตนโกสินเป็นวันจั ก, กรีขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกคนประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่มันสิ่งไหนที่ดีคิดดี ทำดีพูดดีนั่นแหละอจะมีความสุขตลอดไปถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วนี่แหละความชั่วทั้งหลายจะตามมากรรมชั่วจะทำเสีเลยดีกว่ากรรมชั่วคํานี้คือคือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมอกรรมชั่วจะทำเสีเลยดีกว่าถ้าคิดชั่วแล้วความชั่วก็จะตามมาถ้าทําชั่วความชั่วก็จะตามมาถ้าพูดชั่วเอผลกรรม ในการพูดช่วนนั้นก็จะตามมาเพราะฉะนั้นต้องคิดดีทดําดีพูดดีอยความดีก็จะตามพวกเราไปสู่ความสู่ความเจริญนะเพราะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเออเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนะออนาไปคิดต่อเติมอีกนะเออแล้วก็ประกอบเมื่อเห็นว่าเป็นคนคุณประโยชน์แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงแก ปรับปุงตัวเองกายวายใจใจของตนเองเนี่ยพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร